หลวงตาก็เมตตาเราเราก็มาช่วยหลวงตาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศประเทศชาติอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนต้องอยู่ได้เนี่ยหลวงตาเป็นเสาหลักหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาเพราะวอยู่ในใจของเราไม่มีอะไรมีแต่เมตตา ท่านพูดอย่างนั้นเราก็พวกเราคิดดูที่ว่าถ้าไม่ใช่บุญบารมีของหลวงตาบุญหนักศัก์ใหญ่จริงๆจะรวบรวมทองคำได้เป็น12ตันได้ยังไง อ, อ, อันนี้เป็นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเท่านั้นเป็นประวัติศาสตร์ของโลกทีเดียวในบ้านเมืองออบ้านเมืองมีปัญหาหลวงตาก็ออกมาออกมาช่วย ออกมาช่วยกันเนี่ยทองคําอันนี้คืออะไรถ้าจะว่าไปเลยคือโฉนดโฉนดของประเทศแต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าลุงตาทําไมาเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้ทําไ ม, ไม่ไม่ระดมดอลล่าทําไมไม่เอาดอลล่าลูกศิษย์ไม่รู้กี่ ก, กี่ท่านกี่ท่านมาวัดลวงตาต้องเอาดอลล่ามาเพื่อเข้าคขังหลวงเพื่อจะได้เพื่อจะได้ใช้ให้ทันท่วงทีแต่ลุงตาบอกทองคํา ทองคำอเออหลวงตาบอกทองคาไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอมาถึงวันนี้หละแสดงว่าเรารู้ได้ว่าหลวงตามีอนาคตังสยานคือรู้อนาคตว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าหางว่าท่านยึดดอลลาร์อีกอาจจะพลิกผันได้ง่ายแต่พอยึดทองคำนี่นเป็นเป็นว่าเป็นเสาหลักเลยเอออันนี้แหละอ่อหลวงพ่อว่า หลวงตามีอนาคตตังสยามคิดไปในอนาคตทุกวันนี้โลกนัณวนะันนี้ณนะบันนี้โลกทั้งโลกแต่ละต่างประเทศระดมซื้อทองคำมาไว้ในคลังหลวงของตนเองเอ่แต่ว่าหลวงตานำหน้าแลนะ้วไงนำหน้าของโลกแล้วนะอ่นี่นะหลวงตาเนี่อขนาดท่านอยู่ในป่ารงพงไพท่า น, ท, านทำไมถึงรู้ว่าทองคำนี่จะมีคุณค่าอดอกเตอร์ทั้งหลายเขาเข้ามาหดดอลล่า พร อ, อนมนลงตารับตอนล่าเท่าขังหลวงเพื่อจะได้ใช้แต่ลงตาไม่เฉยเหมือนกันแต่ลงล่างตอนล่าท่านก็รับเงินเท่ากับรับตอนล่าแต่ท่านเน้นทองคขำแต่บัดนี้ชัดเจนแล้วว่าอลวงตาเนี่ยมองไกลเี่ยมองเห็นที่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอสิ่งที่เรามองเห็นะลงตามองข้ามไปอีกแล้วออืะ ลงตามีสายตาไกลมีสายตายาวเมื่อวานเมื่อวานเรื่องเกี่ยวกับพรามณ์ตกทุกข์ในยากใช่ไหมพราพรามณ์มีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทใช่ไหมเดียวเล้ ว, วท้าวความสักหน่อยนะพรามพระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่ที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหาร แล้วก็มีพราม์อยู่ในกรุงสวัส์ถีนั่นแห ม, มีเงินมีเงินอยู่หนึ่งล้านนะแล้วเธนี่มีลูกอยู่9คนใช่ไหมาจากนั้นพ่อต่อมาแม่ตายใช่หม แ, มแม่ของเด็ก9้าคนนั้นตายยังเหลือแต่พราหมา์พอเหลือแต่พราม์ที น, นี้ก็พวกลูกๆูก9คนก็เลยต่างคนก็ต่างมีครอบครัวกันทีนี้เขาก็เลยมาบอกว่าพ่อ เงินที่พ่อมีอยู่น่ะหนึ่งล้านน่ะเอามาแบ่งให้คนละคนละแสนละแสนสะให้พ่อสักแสนหนึ่งไอ้พวกผมจะได้นําไปลงทุนใช่ไหมอันนี้คือพูดพูดดีกับเข้าท่าดีนะพ่อลูกเขาขอเนี่ยอยากจะได้เงินไปลงทุนใช่ไหมเพราพ่อเออใช่แม่สุ้าพก็ตายแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะให้เขานะก็เลยพ่อก็เลยแบ่งให้พ่อไว้แสนนึงพอต่อมาอีกลูกสะพ้ยกับขยันขยอยสามีของตัเองแฟนตัวเอง ไปขอกระพ่ออีกซีจะอีกเอาคนละหมื่นก็ยังได้ก็ไปขออีกทีนี่ขออีกคนละหมื่นพ่อเนี่กระไรเออก็ะน่าจะให้เขาเขามีครอบครัวแล้วพ่อก็เลยให้คนละหมื่นอีกทีนี่ยังเดลือีกไว้ตัวเองหนึ่งเมื่นพ่อต่อมาอีกขออีกเอาไปขอคนละพันอีกพ่อก็ให้ไปอีกคนละพันอีกจะไหมยุ่ยแต่เองพันเดียวทีนี่พอต่อมาเงินพันนั่นก็ใช้ไปใช่มาก็ไม่นานมันก็หมดใช่ไหมพอหมดแล้วก็ อยู่กับลูกชายคนโตใช่ไหมเมื่อวานนี้นะออยู่กับใครคนโตคนโตก็ทางไอลูกสะภ้ยคนตอนะครับปู่นี่นะไม่รู้จักบ้านคนอื่นแต่เงินนะ่ะแบ่งให้เสมอกันา อ, อแต่มาอยู่กับบ้านเราบ้านเดียวปู่คงไม่เห็นบ้านอื่นนะเห็นแต่บ้านของเราเพูดต่อไลครั้งไลยหนใช่ไหมคนแก่ก็ใจน้อยใช่ไหมที่นี่เออคนแก่ใจน้อย เขาไม่อยากจะให้กูอยู่มั่งนี่เ้กูต้องหนีไปบ้านอื่นอย่างไรก็เลยหนีไปบ้านคนที่สองคนที่สองไม่พัญญาของเขาลูกสะพ้ยคนที่สองก็พูดยังเก่าอีกลงมาอีกอและ่ะคนที่เจ็ดที่เจ็ก็พูดลงมาที่หกที่ห้าจนมาถึงคุณจุดท้องข่าวนี่มันต้องได้ใช้อัตหิอั ต, ตโนนาโถแล้ววะเอ่อกลยออกจากบ้านคนจุดคุณจุดท้องเหมือนกันอะ ได้กระเบื้องันได้หม้อโลตัวแดงใช่เลยครไปหาขอทานกินเถอะคือเมืองอินเดียเนี่ยเรื่องขอทานเป็นธรรมดาเลยมันไม่อายกันว่างั้นเถอะธรรมดาคนขอทานเนี่ยถ้าไม่มีกินแล้วก็ขอทานเขาก็ต้องให้คนที่มีกินเขาต้องให้คนที่ไม่มีกินว่างั้นเถอะอันนี้คือเป็นประเพณีนักพจนนักบวชก็มากคนขอทานก็มากทีนี้ก็คนคนนั้นก็ตะพามคนนั้นก็ไปหาขอทาน ชัดเชพระเนจรไปเรื่อยในนอนค่าที่ไหนก็ น, นอนที่นั่นมีกินอยู่กินเนกินแปลว่าร่างกายอยู่ในในความกรากกราดกล่ำที่สุดว่างั้นเถอะไม่โรคกะไหนตกกะไหนติดพามายุแก่เนี่เด้ออาบน้บําห้างไม่ได้อาบบ้างน้าบ้างกินบ้างไม่ได้กินบ้างว่างั้นเถอะเออชัดเซพระเนจรไปเรื่อยจอนไปถึงวัดป่าเชตะวันเนี่ยเออจะเข้าวัดป่าเชตะวันเอสมณะ เขาว่าสมณะนักบวชเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาถ้าเราเข้าไปในวัดเนี่ยคงจะมีอะไรจะได้รับความเมตตาจากท่านอยู่เนาะมั้งความคิดนะอะก็เลยซัดเซฟเนจรเข้าไปวัดป่าเชตะวันเข้าไปก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้แล้วนี่พรามคนนี้เนี่ยเขามีอุปนิสัยอยู่เขาจะได้สําเร็จพระโสดาบันพราหมณคนนี้แต่ว่าเขาข่าวนี้กรลม กรรมชั่วในอดีตให้ผลเขาเองั้นเถอกรรมชั่ว เ, เล่นงานเขาแล้วงั้นเถะนี่นแหละกรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่ว ม, มันเล่นงานไม่เลือกการสถานที่เหมือนกันอันนี้กรรมชั่วเล่นงานของพรามพรามตอนนั้นก็ชัชเนศเจ้าเข้าไปหาผู้ทผุทธเจ้าพุทธเจ้ามาจากไหนพรามกับผมมาจากที่โน้นที่นี่กระผม เ, เป็นยังไงจะได้มาหาขอทานหาอยู่หากินอย่างนี้ล่ะแต่ก่อนผมก็มีอันจะกินอยู่ครับแต่กูลของผมเป็นอย่างงไงยังไงกัน พรามก็เรียงลําดับไม้ฟังพอเรียนข้อละฟังฟังแล้วพระองค์ก็อื้พราหมณ์เธอเธอจะเรียนคํากล่าวสุนทรพจน์จากเราได้ไหมเราจะสอนให้พราม์ก็ครับอยากจะเรียนฮคํากล่าวสุนทรพจน์จากพระพุทธเจ้าเอาเดี๋ยวเราจะสอนให้จากนั้นพระองค์ก็จะสอนสอนคํากล่าวสุนทรพจน์ให้ พระพรองบอกว่าเมื่อได้คํานี้ไปแล้วนะเธอต้องกับพราหมณ์ต้องกับไปหาบ้านของตนเองบ้านที่บ้านเกิดเรียกลูกชายลูกจฉพาะพิภพวกหลานและก็พี่น้องมาให้พร้อมกันอบอกว่าเราอายุมากแล้วแะเราอายุแก่แล้วเรามากแล้วเราจะมาสั่งลาให้แก่พวกท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายมาฟังนะ เ, เดี๋ยวเราจะกล่าว อำลากล่าวสุนทรพจน์ให้ฟังจากนั้นเขาก็หลังมาใช่ไหมเพราะพราหมณ์นี้จากบ้านไปนานนี่นี่แล้วก็พราหมณ์ก็จะกล่าวสุนทรพจน์อีกนี่เรื่อไม่รู้จะกล่าวเรื่องอะไรใครๆก็อยากจะฟังเลยก็รวมกันมาเลยนีนั่งรอบสลากพราหมณ์ตอนนั้นกัตะภายตะ ภ, ภายม้อโลมม้อขอทานอีกต่างหากน ะ, ะตะภายม้อโลหม่อขอทานและก็ถือไม้เท้าถือไม้เท้าไงตะภายม้อโลม เอาฟัง เ, เดี๋ยวข้าจะกล่าวสุนทรรพ์ให้ฟังพอแล้วกัฟังแบบตาแบบไม่เอาไม่งับปากเลยแล้วงั้นพามเขาเลยบอกว่าเลี้ยงบุตรสุดนี้แสนจละลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายพามกล่าวกล่าวสุนทรรพจนะ เ, เลี้ยงบุตรสุดแสนจละลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมาย คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้กำกายย่างย่องจ้องจด จ, จุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะาละเลยพรามกล่าวนะกล่าวกล่าวสุนทรภฏนะกล่าวเวลากล่าวท่านกระสายไม้เท้าไปด้วย ก่าวกาวสายไม้เท้าไปด้วยอย่างนั้นเถอะแห่าวส้นทอนลพจน์ะแเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายผานม่แปว่าคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ํำกายย่างย่องจ้องจดตุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญ และก็คงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนสุนทรนพจน์ให้แก่ให้แก่พรามเหมือนก้นคล้ายๆ ค, ความแปลและความหมายนี่ว่าเลี้ยงบุตรสุดแสงจละลำบากพวกเราก็เคยคงได้ไดเลี้ยงลูกนะก่อนที่จะใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยมันยากขนาดไหนบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ำกลางคืนพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนและก็งอแงอีกต่างหาก ก่าที่จะเป็นใหญ่ขึ้นมาได้อันนี้แปนว่าเลี้ยงบุตรจุดแสนจะลาบากแต่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่พ่อใหญ่ขึ้นมาแล้ ว, มลวไม่แทนมือพ่อแม่ได้นะพ่อแม่ให้ใช้ให้การทำการทำงานอะไรงองแง่ไม่ทำหน้าที่ของลูกให้เต็มที่แปลว่าไม่ทำงานพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงหลุดจุดนี้น้อยนัก เ, เลี้ยงบุตรสุดแสนจะลาบาก แต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคือพ่อแม่นี่ยเลี้ยงลูกขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกตัวเองรับหน้าที่อทําการทํางานทําหน้าที่การงานแทนพ่อแม่เนี่ยแต่ลูกนี่กลับไม่เอาแอมแปลว่าไม่สู้งานไงแหมอันนี้ว่าไม่เหมือนกับเลี้ยงลูกเลี้ยงบุตรชุดนี้น้อยนะักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมาย แล้วก็ท่านบรรยายเรื่องไม้เทา้าเลยสิไม้เท้าของพ่อนี้มีมากมายคุณไม้เท้าของพ่อนี้มีมากมายจะขํากายย่องย่องยกย่องจ้องจดจุมคแว่าจะเดินไปทางไหนมันจะลม้มในตรงเอาไม้เท้าค้าไว้ก็ยังยังพอไหวมันไปที่ไหนมันจะล้มพ่อไม้เท้าพ่อยังค้าร่างกายตัวเองได้อย่าไปจะไปที่ไหนไม้เท้ายังค้าจกจ่องจ้องจดจุมอ จะเดินทางไปเลี้ยงบุตรสุดนี้น้อยนักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายจะได้คํากายยั่งย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปที่ไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวัยวุ่น mm hmm. เมื่อหมาจะมากัดยังใช้ไม้เท้าไล่มันก็ยังได้เทั้นเถอะอคุณไม้เท้าของพ่อเท่านั้นเถอะเมื่อสัตว์ร้ายจะวัยวุ่นเอาเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญ อแล้วก็คําสุดท้ายนี่ว่าคงมีคุณอไม้เท้าของพ่อเนี่ยคงมีคุณกว่าปุ๊กว่าลูกที่ไม่ใส่ใจที่ไม่ใส่ใจพ่อใส่ใจแม่อที่ปล่อยปละละเลยค่ะนี่แหละอพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก่พราหมณ์กล่าวสุนทรพจน์อในที่ในที่ที่ศาลาหลังนั้นเางออือนกันเอ่พองลูกทั้งเก้าคนเนี่ยพอได้ยิน การชุนทอนรพ์ของพ่อท่านนั้นน่ะต่างคนก็ต่างหมอบกราบเลยพวกนั้นเถอะสารภาพผิดว่าตัวเองได้ไม่ได้ใส่ใจในการดูแลพ่อทั้งที่พ่อเลี้ยงดูเรามาแสนยากลําบากแต่ตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจมีแต่การทํามาหาเลี้ยงชีพนี่ที่ทำมามิ่งจดูแลครอบครัวของตนเองขาดการดูแลพ่อทําให้พ่อตัวเองทุกข์กระตําลําบากเป็นคนขอทานเช้นยาวนานฮ่ จากนั้นก็คนโตก็บอกว่าคุณพ่อครับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปผมเองจะเป็นผู้ดูแลพ่อจะไม่ให้พ่อลำบากอีกต่อไปครับที่หลวงพ่อที่พ่อกล่าวมานั้นเป็นคาพูดที่กินใจผมมากครับผมจะดูแลพ่อตลอดไปคนที่สองกับครับผมจะดูแลพ่อคนที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงคนสุดท้องอเขาก็บอกว่าเขาจะดูแลพ่ อ, อ ผลที่สุดเขาก็เลยตั้งกลุ่มกันขึ้นมาจากนั้นก็ดูแลพ่ออย่างดีเลยทีนี้ไม่ให้พ่อกระทุกกระตำลำบาบากอาหารการบริโภคก็สมบูรณ์ผ้านุง่งห่มก็สมบูรณ์ที่พักพรกอาศัยก็สมบูรณ์ทั้งลูกทั้งเก้าคนดูแลนะพรามก็ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าที่โอ้ที่เราได้มีความสุขอย่างนี้เพราะสัมมาณโคดมพุทธเจ้าที่ท่านให้ให้เรา ให้คาถาแก่เราเราจึงได้กล่าวสุนทรพจน์ให้แก่ลูกพอเขาได้ฟังกล่าวคํากล่าวสุนทรพจน์เพียงครั้งเดียวลูกของเราก็รู้สึกสํานึกในความผิดเราได้รับความสุขสบายอย่างนี้ขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าอพราหมณ์คนนั้นก็เลยบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยพ่อเนี่ยร่ำลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะสมมณะโคดมพุทธเจ้าที่ท่านให้ พ่อก่าวคาถาสุนทรภพต์เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กล่าวเพราะนั้นพ่อได้ความสุขเพราะพระพุทธองค์เพราะนั้นขอให้พระพระองค์พวกเราทั้งลูกทั้ง9ก้าคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในบ้านของเราโดยเธิดพ่อจะได้ทำบุญจากนั้นลูกคนโตข้าบผมก็เลยพร้อมกันจัดปรำขึ้นมา ในกลางหมู่บ้านจากนั้นก็ในมณฑ์พระพุทธเจ้าขอพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันในหมู่บ้านจากนั้นพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามาฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ได้แสดงแสดงพระธรรมเทศนานะพอทําแสดงพระธรรมเทศนาจบลงท่านั้นแหละทั้งพ่อก็ได้สําเร็จพระโสดาบันลูกชาย9้าคนก็ใช่ลูกสะพ้ยทั้ง9้าคนก็ใช่ที่ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยการทั้งนั้นเป็นยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของตลอดชีวิตเนะี่แหละทั้งที่ท่านมีบุญวาสนาบารมีอุปนิสัยท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมีอยู่แต่กิเลสกิเล ส, นะเลสโลภโกรดหลงนะ่ะมันมาปิดบังเออมันมาปิดบังชั่วข่าวถือจะว่ากรรมเขาจะว่ากรรมคือคือกรรมชั่วของพรามนะ่ะเอ่่มมอ่่่่่่นนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ กรรมดีก็กลับมาให้ผลแก่พรามอีกน่ะเพราะฉะนั้นพวกเรานะกรรมชั่วจะทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผลาญเมื่อภายหลังแล้วก็นิทานหรือว่าเรื่องกล่าวทั้งหมดเนี่มาในพระไตรปิฎกน ะ, ะไม่ใช่หลวงพ่อพูดขึ้นมามาในพระไตรปิฎกนะมาในพระธรมะรมปัทัตกถาน ะ, ะแต่ว่าอาจจะมีการกล่าวเสริมขึ้นตนตอนจ น, น, น, นทนละพจนี่แต่ก็มี เออมีทุนทรพศอย่างนี้แหละแต่นักปราชญอาจารย์อาจจะกล่าวเสริมขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้คล้องจองกับชุมชนและสังคมสรุปแล้วก็คือพวกเราที่เป็นลกูกให้ลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามายากลำบากขนาดไหนถ้าว่าเราทำไม่ดีลูกของเรานะะเนั่นหละจะพิจารณาตัวของเราเองเอลูกของเราจะไม่ทดแทนพระคุณตัวเองเหมือนกันนะจะ เ, เราทากับพ่อกับแม่ดี ลูกของเราก็จะดูเรานี่ยเป็นตัวอย่างเพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานการสะ่อะแสวแงหาครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งถ้าครูบาอาจารย์ดีแนะนำดีอย่างพวกเราได้มาค บ, ก, าบากราบไหว้สักการะบูชาในองค์หลวงตาของเราเนี่ยองค์หลวงตาของเราเป็นครูบาอาจารย์ดีแนะนาธรรมะทำคาสั่งสอนดีเลิศนะแปลว่าพวกเราได้ครูดี ได้ครูบาอาจารย์ดีนะได้องลงตาเป็นครูเพราะนั้นพวกเราจะต้องเดินตามครูสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำนะมาอยู่ใกล้องค์ลงตาลงตาเป็นใครลงตาบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอ น, นันตการนะท่านประกาศอย่าง น, นั้นพวกเราควรรู้ในเราเป็นอะไรเพราะนั้นพวกเราลูกหลานคณะสัต ย, ยานทูมลูกหลานทุกคนนะ เข้ามาอยู่ใกล้หลวงตาหลวงตาเป็นขนาดนั้นแล้วพวกเราควรจะตักตวงบุญกุศลควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดนะแอบอย่าไปอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันอย่าไปผูกเวรต่อนหน้าพระอรหันต์ผูกง่ายๆนะแควรจะให้อภัยกันนดีที่สุดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอภัย ย, ยินดีให้อภัยแอ อย่าไปผูกกรรมจองเวรจึ่งกันละกันการจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดนีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันเราอยู่อยู่ต่อหน้าพระอริยะเราต้องทําดีถ้าเราทําไม่ดีแล้วเป็นบาปเป็นกรรมนะทําให้ท่านหนัก อ, อกหนักใจกับพวกเราแล้วก็นี่แหละนั่นนีก็คือพ่อแม่ของเรานะเอพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างลุงพ่อได้พูดว่าพ่อแม่ของเรานี่ให้แต่ร่างกายตาให้แต่ตาหูจมูกเล่นกาย แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังองค์ลงตาเนี่ยท่านให้ธรรมะอะปฏิบัติอย่างนี้นะให้ทานอย่างนี้นะศีลอย่างนี้นะภาวนาอย่างนี้นะให้ละกิเลสโลภโกรดหลงภายในใจอย่างนี้นะจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะอันนี้คือท่านให้ธรรมะทางด้านจิตใจนะนี่แหละเลิศประเสริฐกว่าพ่อแม่ของพวกเราเพราะฉนั้นขอให้พวกเรานะอะอย่างที่พราหมณ์กล่าวสุนทรพจน์นะอท่านบอกว่าอ เลี้ยงบุตรสุดแสนจะละําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คํากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ไล่จะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยฟังดูแล้วก็ซึ้งนะเพราะเหตุไรเพราะว่า ไม้เท้านี่มีคุณประโยชน์กว่าลูกที่ไม่ใส่ใจเนี่ยที่ไม่ดูแลพ่อแม่เนะี่ยนี่แหละอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้แกลูกหลานทุกขู่ทุกคนกณ์ัตธารญาติโยมนำไปคิดนำไปพิจารณาเรื่องนิทานและเรื่องชาดกเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นข้อคิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะแล้วก็หลวงพ่อจะเอาแถบนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะชาดกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็คือ มีอันนี้แปลว่านิทานอันนี้จะอ้างอิงถึงพระตไตรปิฎกในในในชาดกของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าในชาดกนั้นในชาดกนั้นท่านบอกว่าเอาไปฝังดินแต่ในนิทานเรื่องนี้เขาเอาไปโยนน้ํำแต่ว่ามีเนื้อหาสาระเหมือนกันที่หลวงพ่อได้ฟังดูแล้วนะในชาดกทั้งสองทั้งสองเรื่องเนี่ย แต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดว่ามีสองตายายเนี่ยสองตายายก็อยู่ในบ้านมีอันจะกินอยู่ในหมู่บ้านพอแต่งงานมาก็มีลูกลูกชายคนหนึ่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเมื่อไงแต่ต่อมาแม่ก็เลยตายพอแม่ตายพ่อเนี่ก็เลยอยู่ลูกชายนี่ก็อยู่กับพ่อต่อมาก็เลยแต่งงานพอแต่งงานเขาแต่งงานในช่วงที่แม่ยังอยู่นั่นแหละพอแต่งมาแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง พ่อนี่ก็มีลูกคนหนึ่งลูกชายนี่ก็มีลูกคนหนึ่งพอจากนั้นพอพอแม่ตายทีนี่ต่อมาผู้พ่อนี่ก็คงจะคิดหนักมาาั้งั้นแหะคิดถึงแม่มากาคิดถึงพัญญาของตนเองพลที้สุดก็เลยเส้นเลือดแตกในสมองามาเพอาะคิดหมักคิดหนักพอเลือดแตกในสมองท่า น, นกเป็นอามาพิกอามพาตท่นเลพอเป็ st, ออเอามาเพิกเอามาพลาดก็นอนอยู่ที่บ้านแต่ลูกชายนี่ก็แต่งงานมา ก, ก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งอย่างที่ว่านะพอเลี้ยงลูกขึ้นมาเลยกั เวลาจะไปที่ไหนจะไปทําการทํางานทําไร่ทํานาทํารั้วทำสวนก็ต้องให้แม่บ้านเป็นคนเฝ้าเฝ้าพ่ออย่างั้นแหละพ่อพ่อปูบางทีก็บางทีก็ให้แม่ให้พัญญาคนตัวเองไปทำมาหากินสามีก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงดูพ่ อ, องั้นต่อมาก็ลูกลูกชายก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเป็นลําดับลำรดับลำระดับเงี้ย จนถึงอายุ1819ปีนะกําลังจะเป็นหนุ่มกําลังจะเป็นหนุ่มจะไปแต่งงานอีกแล้วว่างั้นเถ อ, เอจะไปหลานสะพ้ยแล้วว่างั้นเถอปู่แต่ปู่เนี่ปยป่วยนอนอยู่ในบ้านว่างั้นเถะไม่รู้สึกตัวนะเนี่ยเวลาถ่ายก็ท่ายลาดเวลาเยี่ยวก็เยี่ยวลาด เ, าเวลากินกับป้อนอข้าวต้มป้อนอให้กินว่างั้นเถ อ, เอแล้วก็เป็นภาระาจะไปด้วยกันจะไปทําไร่ทํานากับไปไม่ได้เพราะว่า ลูกสะพ้ยเนี่ยก็ต้องเฝ้าปูสามีก็ต้องเฝ้าปูตรงคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปเพราะงั้นอ่ะจะไปด้วยกันไม่ได้พ่อต่อมาเนี่ยทางลูกชายเพราะงั้นอ่ะลูกชายของพ่อที่เป็นอมภ์เพิกอมภ่าดิคิดกุ้มกกอุ้มใจเพราะงั้นอ่ะพ่อนี่จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายหนักไปเรื่อยพูดไม่ได้แล้วทีนี้เอาอยัางไง ถ้าอยู่กับเลี้ยงไปอยู่อย่างเนี้ยเป็นภาระของครอบครัวอย่างมากถ้าเป็นอย่างเรานี่เราว่าตายดีกว่าถ้าเป็นอย่างเราเราตายดีกว่าควรไม่ควรจะอยู่อย่างนี้มันทรมานเหลือเกินกรุ๊กกดีก็ไม่ได้แมมีแต่นอนถ้าเราไม่ถ้าใครไม่เห็นก็มีนอนขี้เยี่ยวกับคลุกกับขี้เยี่ยวอยู่อย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างเราเราตายดีกว่าคิดนย่งนั้นแต่วันหนึ่งก็เลยอดรนคนไม่ได้ ก็เลสารตะก้ากันสารตะก้าปักใหญ่นใบหนึ่งพอสารตะก้าเสร็จเรียบร้อยเลยก็กหาจังหวะอะไรแตเ น, น, นี่ยวันไหนฝนตกฝนตกแรงๆฝนตกมากๆในตอนหัวค่ํำจากนั้นก็พอตกแล้วคิดว่าเขาคิดคนเดียวนะเขาคิดว่าถ้าตกแล้วกันเนี่ยคงจะเอาพ่อไปโยนลงน้ําให้จบๆไปลักษณะอย่างงั้นแหละวันนี้พ่อเขาสารตะก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแตนี่ เขาก็วันนั้นฝนตกอย่างแรงตอนบ่ายน้ําก็คงจะทะลักมาจากภูเขาอะไรนี้เขบอกว่าไอ้น้อมบอกลูกชายนะอย่าไปที่อื่นนะวันเนี้พ่อมีธุระจะไปเที่ยวที่อื่นนะวันเนี้พ่อมีธุระทางลูกชายได้ยินเออพ่อจะมีธุระอะไรทําไมสั่งสั่งเข้มข้นละเกินนจากนั้นก็ลูกชายก็ครับพ่อ พอกลางคืนมนันน้ำมันก็นองเท่นี่เพราฝนตกตอนบ่ายใชน้ำมันก็ครึ่งฝั่งเลยท่นี่น้ำไหลเชี่ยวอีดางหากักวันนั้นพ่อก็เลยอ่ามาเน้นนมลกูกมาเน้นไม่รู้ว่าพ่อสั่งอะไรแล้วงานลูกก็ต้องก็ต้องปฏิบัติตามแล้วงาจับขาจับขาโป่ผู้พ่อก็จับรักแร้แล้วางาอจับเลยก็ออกมาใส่ในกระตะก้าว่านั่นง่ยเอาใส่ตะก้า ลูกหลานก็จับขาจับทางขาพ่อก็จับทางนักแล้ย่อนลงไปในตะก้าพอย้อนในตะก้าเสร็จแล้วพ่อก็นอนอยู่ในตะก้าหาไม้ไม้คานไม้ไผ่สอดมางั้นแหละพอสอดเสร็จแล้วเอาหามมากั้นไปเดินก่อนก็ให้ลูกชายเป็นผู้เป็นผู้หามข้างนะตัวเองก็หามข้างใส่เสียสอดใส่หูตะก้าใหญ่ๆใบใหญ่ๆพอหามไปไปเดินก่อนูอลูกชายนะก็เห็นผู้พ่อนี่สั่งสั่งแบบเข้ม เข้มข้นมากกว่าเข้มแข็งมากกว่าั่นเถอะแปลว่าทพ่อสั่งแล้ว อ, ออกนอกลูก่นอกทางไม่ได้ต้องปฏิบัติตามนั่นนั่นเถอะพ่อสั่งอย่างเข้มแข็งเหมือนั้นไปเดินไปไป้างหน้าไปทางโน้นหลบไปเอาไปทางโน้นพ้นทีิสุดไปไปไปพอไปถึงสะพานใช่ไหมสะพานน้ำกำลังไหลเชี่ยวเอาวางเอาวางลงในกลางสะพานพอกลางสะพานลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อมาทำไมใช่ไม แม่พ่อพ่อมาสมัยไม่รู้ผู้พ่พอก็บอกนี่นะปู่ปู่ของแกนี้นะ เ, เป็นอามภพกับอามภาตมาเกือบยี่สิบปีแล้วอนอนจมกองขี้กองเหวถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยพ่อตายดีกว่าเพราะฉนั้นพ่อคิดว่านปู่ของแกเนี่ยยังไงก็ไม่หายอยู่แล้ว เ, เป็น ท, ทนทุกทรมานของท่านอีกต่างหากเป็น ท, ทุกทรมานของพวกเราอีกต่างหากพ่อคิดว่าน่ยเอาลูกของ เอาปูนะ่เน่ะเอาพ่อนะเนีอยปู่ของแกเนะี่ยเอาปูนะ่เน่ยโยนลงไปในน้ําซะเพื่อจะให้จบจบไปเท่านก็ให้จบไปสบายไปเราก็สบายไป เ, เธอว่าอย่างไรทางลูกชายว่าเอาคุณพ่อจะโยนทั้งตะกาด้วยเหรอเอาจะไว้ทําไมตะการทางลูกชายว่าถ้าเผื่อเป็นพ่อเป็นอมพักษ์อมาพาตอย่างปูนะ่เนเอยผมจะได้ พาลูกชายผมหามพุนพ่อมาโยนลงในคลองนี่อี ก, กว่าเงินอเอาตะกร้าไว้พ่อเะโอ้ผู้พ่อได้ยินคนนนํานี้เท่นั้นเลยหยุดกเกลื่อนเงินเถอะพอหยุดกึก่อนไปไปไ ป, ป, ปหามกลับหามกลับพนวนหามกลับหามกลับเอ้าทําไมพ่อจึงหามกลับไม่ได้เดี๋ยวกรำตามสนองคุอถ้า ถ้าทำกรรมไม่ดีว่าเดี๋ยวกรรมตามสนองว่างั้นอ่ะอ้าวถามกลับถามก ล, กลับเลยปอนิสุก็เลยถามกลับมาอีกว่างั้นอ่ะถามกลับมาบ้านเลื่อยเลี้ยงดูอย่างเก่าว่างั้นนี่แหละเอนิทานด้ว่าชาดกเรื่องเหล่านี้ยแหละอ้นี่คนคนโบราณก็าเขาพูดให้ฟังนะอันนี้เป็นนิทานเนี่ยวะถ้าเราทำกรรมอันไหนไม่ดีไว้นะมันก็เป็นตัวอย่างของลูกของหลานเออเพราะฉะนั้นถ้าว่าพ่อพ่อของเขานะ่ โยนปู่ของเขานะลงในน้ํานะอแต่ต่อไปภายภาคหนา้าภาคหนานะ้าใครจะไปทําลายได้ว่าตัวเองจะไม่เป็นอย่างปู่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างปู่ขึ้นมาเมื่อไหร่ลูกชายเขาเขก็จะหามตัวเองนะ่ะมาโยนลงในน้ําอีกใช่ไหมอบอกว่าพุดพ่อจะทิ้งทางตะ ก, การ์ด้วยเหรอเอาไวทไ้ทําไมก่อนว่าใดตะก้ารประจยนทั้งหมดเลยนะอา้าวถ้าเผื่อพ่อเป็น อ, อมภพอมภาษอย่างปูนะ่ละผมจะไม่ได้หาตะ ก, การ์ยากนะ จะได้เอตาตะกร้าใบในหามปู่ลงมาโยนลงในน้ำเลยวเวลาคนอื่นจะโยนคนอื่นโยนได้นะใช่ไหมพอเขาจะโยนตัวเองเท่านั้นแหะโอ้โหไม่เอาไม่เอากันเถอะเออไปพลกลับกลับกลถามกลับถามกลับเพราะนี่ถูกก็เลยหามกลับมาไว้วาดอย่างเก่าดูแลจนกว่าอปู่ตัวเองก็กเลยตายไปนี่แหละเออขอให้พวกเรานะ้าลูกหลานคณศาธรรายาดโยมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ย ทำกลัมสิ่งไหนไม่ดีเอาไว้กลัมนั้นจะตามสนองอพูดแล้วนะถ้าเราทำไม่ดีกับพ่อกับแม่กลัมนั้นแหละจะตามสนองลูกของเราจะเป็นนำเป็นตัวอย่างต่อไปในอนาคต เ, เพราะฉนะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะในหลักของพุทธศาสนานให้เชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทําทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราอย่าไปทำกลัมชั่วอัคตังทุ ก, กตังเสยโยปัจชาตะปฏิทุ ก, กตัง กรรมชั่วอย่าทำเ ส, เ, เสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นจงทําแต่กรรมดีนะพรามคนก่อนที่ว่ากล่าวสุนทรพฤษนะอันนั้นท่านคงจะเคยทํากรรมไม่ดีไว้อะกรรมชั่วท่านให้ผลแต่ต่อมาท่านคงจะสํานึกได้นะสํานึกได้เอกรรมดีก็เลยกลับมาให้ผลอีกนะถ้าว่าท่านท่านทํากรรมชั่วจริงๆท่านก็คงจะตาย ไปคงจะไม่ได้เจอบัณฑิตนักปราชญ์คงจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านะอันนี้ได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะกรลำดีของท่านในอดีตส่งมาให้ผลจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคล เ, เป็นพระโสดาบันทั้งครอบทั้งครัวของท่านนี่ก็น่าเชิดชูบูชาเหมือนกัน เ, เหมือนกับพระทิดาจันร์มีเมฆหมอกปิดบังมีโ ม, มอกอปิดบังเป็นบางครั้ง แต่พอมเมฆบอกมันหลุดลอยไหลไปที่อื่นพระอาทิตย์ก็ส่องแสงจ้าขึ้นมาอย่างเก่าอันนี้ก็เหมือนการกิเลสโลกโกรธหลงมาปิดบังลูกชายใจของลูกชายลูกสะพ้ายเหล่านั้นนะให้มืดบอดมองไม่เห็นคุณงามความดีมองไม่เห็นพระคุณของพ่อของแม่มืดบอดไปหมดในชั่วระยะหนึ่งแต่ท่านก็ด้วยบุญด้วยกุศลของท่านนะท่านจึงได้รับความ ยอมรับของจากลูกหลานอีกมามาอีกของนั้นนหละนะวันนี้อท่านผู้กากับโยมภูมิกับท่านบอกให้ลูกพ่อเล่านิทานหลวงพ่อก็เลยเล่านิทานไปเลยนะอาการหลุงตาเป็นยังไงจะว่าอีกแต่นเนี้เอผู้อยู่ทางไกลก็อยากจะรู้ว่าอาการลุงตาเป็นยังไงเนอหลวงพ่อเนี่ยมีแต่เล่านิทานจบแล้วหลุงพ่อไม่ได้เล่าไม่ได้บอกเรื่องอาการของลุงตาเลยคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่วัน ตั้งแต่เมื่อเช้าวานนี้ดวงตาท่านก็ชันอาหารท่านชันไม่ได้อย่างที่ร้นรานพ่อมีสายอาหารเข้าในทางเส้นเลือดนะแล้วก็มียาปฏิชีวนะอยู่ตัวหนึ่งที่รักษาปอดบวอมที่ตับอักเสบนะแต่เมื่อคืนไอนิดหน่อยนะแล้วก็ถ่ายมีถ่ายอยู่สองครั้งมั้งถ่ายสีเหลืองนะแล้วก็ปัสสาวะหลายครั้งอยู่ปัสสาวะได้ประมาณ400รกว่า ถ้าจะว่าไปคื อ, คอว่าเกือบปกติเพางั้นปัสสาวะนะอุจจาระนี่ยสองสามครั้งก็ไม่มากเท่าไหร่หัวใจปกติความดันปกติอะไรปกติหมดร่างกายของหลวงตานะแต่วันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้รู้สึกสดชื่นนะหลวงตารู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าวัน ก, ก่อนนั้นดีขึ้นมากแต่ที่นี้เรื่องห้องปลอดเชื้อเมื่อวานนี้ก็มาไปชุมกัน ทั้งคณะแพทย์ทั้งคณะสงฆ์คณะสงฆ์ทั้งหมด60สิกว่ารูปนะวัดที่มาประชุมกันเมื่อวานนี่ว่าเราจะรักษายัางไงองค์ลุงตาเมื่อวานก็ให้คณะช่างที่ทำห้องปลอดเชื้อเนี่ยมาพูดกับคณะแพทย์นะให้คณะแพทย์ไปตรวจดูว่าในห้องปลอดเชื้อเนี่ยจะเอาลงตาเข้าไปได้หรือยังมีกลิ่นมีสีมีกลิ่นทาสีมีกลิ่ น, ม, นมีอะไรไหม เหมาะสมที่จะให้หลงตาเข้าไปอยู่ได้หรือยังเนะมื่อวานก็ให้คณะแพทย์กับคณะในช่างผู้สร้างห้องนะเข้าไปตรวจคณะแพทย์ก็ให้สมเข้าไปทั้งสามท่านเข้าไปแล้วก็ออกมาไม่ให้คุยกันเหมือนกันก็มาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงแพทย์ก็บอกว่าเออถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นวันพุ่งนี้คือวันนี้แหละเพราะเมื่อวานยังมีกลิ่นอยู่น่อยๆกลิ่นทินเนอร์กลิ่นสนะียังมีอยู่แต่พอเข้าไป แต่ถ้าว่าวันนี้คิดว่าจะอยู่ได้จะเข้าได้คณะแพทย์ก็เลยมาประชุมหารือกันมาวันนี้ยังไม่เอาเข้า่ะแต่ก็เลยมาบอกกับคณะสงฆ์เมื่อวานนี้บอกว่ายังยังมีกลิ่นอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้หลวงตาเข้าแต่พวกเราเข้าในขนาดนี้ไม่เป็นไรแต่ขณะดลงตาเข้าไปพักพรนเนี่ยอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ดีสําหรับองค์หลวงตาพระท่านขันลงตาอ่อนอยู่แล้วก็เลยก็เลยยก ก็เลยงดกันไม่ได้เอาหลวงตาเข้าไปเมื่อวานแต่วันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะให้คณะแพทย์เข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งไปตรวจ ด, ดูทางว่าคณะแพทย์บอกเออได้ขนาดนี้นะแต่ว่าห้องนี่ห้องปลอดเชื้อนี่ติดระบบทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานติดทั้งคืนเพื่อจะให้อากาศถ่ายเทเข้าออกในห้องปรับอุณหภูมิข่าวว่าไม่มีอะไรนะวันนี้ท่าว่าแพทย์ หมอเข้าไปตรวจดูแล้วถ้าไม่มีอะไรก็คงจะดวงตาคงจะย้ายจากจากข้างนอกเข้ามาข้างในวันนี้แหละนะเพราะนั้นขอให้คณะทา ญ, ญาทโยมลูกหลานนั่งนั่งอยู่ข้างๆแต่ตามไม่จริงลูกหลานทุกคนที่จะถวายจะตุปัจจัยลวงตาเนี่ยไม่ควรจะถวายกับมือท่านเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะพวกเราอาจจะเป็นวัดเป็นไอ อยู่ในติดเช็คลงไปไปท่านจับมาเนี่ยมันติดมือของท่านน่ยมันอาจจะทําให้ท่านติดเชื้อมันอา จ, จะวางไว้ไจุดใดจุดหนึ่งวางวางวางแล้วก็คณะแพทย์บอกว่าผู้ที่อยู่ข้างถนนน่ะควรจะมีผ้าปิดจมูกทุกคนด้วยถึงควรจะแจกแจกผ้าให้เวลาหลวงตานั่งผ่านไปนี่ก็ไม่ให้หวัดไออะไเข้ามาหาหลวงตาได้เพราะหลวงตานี่ธาตุขานหลวงตานี่ อ่อนแอเต็มทนในช่วงนี้เพอเพอเขาหมอเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยาจะให้ลุงตาปิดปัดปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าที่ปิดปากปิดจมูกเพื่อไม่ให้ติดเชื้อทางทางจมูกอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทางหลายเนะสมัยลุงตายัางแข็งแรงพวกเราก็ได้ถวายกับมือของท่านแต่ขาวนี้ ธาตุขันธ์ดวงตาอย่างนี้แล้วหนะูพวกเราจะให้ทําเหมือนตะก่อนก็คงจะไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อว่านะถ้าทําอย่างนั้นเกิดเมื่อพวกเราเห็นแก่ตัวเกินไปหลวงพ่อว่าน ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานให้สังเกตนั่นแหล ะ, ะการละเทสะบุคคลนะการสถานที่บุคคลการชิ้นนี้บุคคลอย่างนี้ควรทําอย่างไรในขณะนี้นะถ้าพวกเราทำํำถูกแล้วเนี่ยนะ มก็ไม่ก็จะไม่เป็นที่ตำหนิของหลูกของหลานของณ้าราชการญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะการพูดและการให้แนวความคิดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาพวกเราขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราทั้งทั้งหลายได้สั่งสมมาในอดีตชาติที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจนถึงปัจจุบันในชาตินี้ บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวกนั้นขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนสุขภาพขององค์หลวงตาขอให้หายจากโรคาพยาติเป็นร่มโค ร, ร่มไทรของลูกหลานพวกเราท่านทั้งหลายนานเท่านานด้วยเธอ